บทที่ 14, สิบสีมิตรใหม่อโศกต้องทำงานต้องเรียนและฝึกซ้อมทุกอย่างเหมือนนักศึกษาสามัญอื่นๆเขาทำตัวอย่างนักศึกษาธรรมดาเวลาล่วงไปล่วงไป ความรู้สึกในความเป็นเจ้าชายแห่งอาณาจักรอันเกลียงไกรเกือบจะไม่มีเหลืออยู่เลยเขาได้ประจักษ์อีกอย่างหนึ่งว่าการมาอยู่ต่างแดนและการอยู่อย่างธรรมดาไม่มีพิเทรีตองอะไรก็เป็นความสุขเป็นความสะดวกสบายอีกแบบหนึ่งซึ่งหาไม่ได้ในนครปาตาลีบุตรที่เขาต้องอยู่ในฐานะเป็นเจ้าชายของคนทั้งหลาย อันที่จริงสิ่งทั้งหลายจะอำนวยความสุขหรือความทุกข์ให้ก็อยู่ที่ความเคยชินเมื่อเคยเสยแล้วก็สบายเหมือนๆกันหมดความอึดอัดความขัดข้องอยู่ที่ความไม่เคยและไม่คุ้นกับสิ่งนั้นเป็นส่วนใหญ่คนที่ไม่เคยเป็นโรคร้ายแรงเมื่อเห็นคนเจ็บเป็นโรคร้ายแรงเป็นโรคที่สังคมรังเกียจก็นึกอยู่ในใจว่า ถ้าตนเป็นโรคอย่างนั้นคงทนไม่ได้ไม่ได้แน่ๆ แ, แต่พอเป็นเข้าจริงก็ทนได้ผู้ปกครองเด็กพิการยืนยันว่าพวกเด็กของเขาเมื่อรู้เป็นครั้งแรกว่าตนจะต้องพิการไปตลอดชีวิตเขาตกใจมากรู้สึกซบเซาอยู่สองสามวันแต่พอแน่ใจว่าไม่มีทางแก้ไขได้อีกแล้วต้องทนต่อความพิการอันนั้นไปตลอดชีพ เขาก็ปรับใจได้ในระยะต่อมาก็ร่าเริงแจม่มใสดีดูเหมือนจะมีความเบิกบานยิ่งกว่าเด็กที่ไม่พิการเสียอีกมนุษย์สามารถทนได้ต่อทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีความจำเป็นต้องทนแต่สิ่งที่ทำลายความสุขของมนุษย์โดยไม่ปรากฏตัวตนนั้นคือความวิตกกังวลล่วงหน้าความคาดหมายว่าเหตุร้ายจะเกิดขึ้นแก่ตน แล้วก็เก็บมาหมกมุ่นคิดด้วยความหวาดระแวงและเร่าร้อนมองให้สูงขึ้นไปกว่านั้นกระแสแห่งโลกที่หมุนตัวเข้ามากระแทกกระทันจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายว่าตามความเป็นจริงโดยปริยายหนึ่งแล้วไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลวแต่ความรู้สึกของผู้ได้รับนั่นเองทำให้สิ่งนั้นดีหรือเลวด้วยเหตุนั้นกระมัง การกระทำหรือคำพูดของใครคนหนึ่งผู้ใดรู้สึกชอบผู้นั้นก็ว่าดีผู้ใดรู้สึกชังผู้นั้นก็ว่าร้ายจะหาอะไรเป็นข้อยุติธรรมแน่นอนว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเมื่อเป็นดังนี้หน้าที่อันหนึ่งของมนุษย์ผู้มุ่งหวังความสุขสงบให้แก่ตนก็คือพึงปรับความรู้สึกของตนให้อยู่ในร่องรอยที่จะให้ความสุขแก่ตน ได้โดยไม่เบียดเบียนใครอโศได้มีโอกาสเทียบเคียงชีวิตกับชีวิตคนสามัญได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยมีโอกาสได้เห็นมาก่อนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวิตและโลกอย่างหาที่เรียนไม่ได้จากสำนักใดๆนี่แหละคือความรู้ประจักษ์ความรู้โดยตรง เขาได้รู้ว่าชีวิตเจ้าและสามัญชนนั้นต่างกันอย่างไรและตรงไหนชีวิตเจ้าชีวิตที่คนทั้งหลายมองเห็นเป็นความงดงามสวยหรูแต่จะมีใครบ้างเล่าเคยนึกเห็นว่ามีความอึดอัดลาบากประการใดชีวิตเจ้าและชีวิตพระเป็นชีวิตที่น่าสงสารพอๆกันคือถูกหลอกถูกเยินยอป่อปั้น ถูกมัดให้อยู่ในกรอบแห่งประเพณีรีตองต่างๆที่ขรัชบริพารและคนทั้งหลายเสกสรรปั้นแต่งขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นเจ้าแม้จะมีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกเหมือนคนทั้งหลายก็จะทำอย่างคนทั้งหลายไม่ได้เมื่ออยู่ต่อหน้าเขาก็พินอบพิทาอ่อนน้อมยกยอสารเสริญเมื่อรับหลังเขาก็แสดงอาการอีกอย่างหนึ่ง มองดูชีวิตพระศาสนิกเขารบนบนอบผู้จายกย่องยำเกรงเหมือนหนึ่งว่าชีวิตพระเป็นชีวิตที่ประเสริฐแท้จริงแต่พอรับหลังก็พากันค่อนขอดดินทายะเย้ยเปรียบเปรยถากถางด้วยค้อยคำซึ่งแล้วแต่จะสรรหามาพูดทำไมหนอมนุษย์พวกนี้จึงนิยมทำตนเป็นคนน่าไหว้หลังหลอกถึงปานนี้แต่ก็ช่างเถิด เรื่องของโลกเป็นอย่างนี้เองกระแสโลกเป็นกระแสร้อนชีวิตนี้ไหลวนอยู่ในกระแสทานสองสายสายหนึ่งเป็นกระแสน้ำเย็นสายหนึ่งเป็นกระแสน้ำร้อนใครหมุนตัวเข้าไปหากระแสน้ำร้อนก็ร้อนตัวเองใครหมุนตัวเข้าไปหากระแสน้ำเย็นก็เย็นกายเองกระแสธรามเป็นกระแสเย็น ดวงใจนี้เป็นที่หลายผ่านแห่งกระแสทั้งสองผู้ใดยอมให้กระแสโลกไหลผ่านดวงใจมากผู้นั้นก็ได้รับความเดือดร้อนมากผู้ใดยอมให้กระแสธรรมไหลผ่านดวงใจมากผู้นั้นก็มีความร่มเย็นมาก มนุษย์ส่วนใหญ่อยู่ในภาวะว้าเหวและหมดหวังเหมือนสัตว์บกตกลงสู่ห้วงมหันโนบอันพันผวนด้วยคลื่นลมและคลากร่าไปด้วยปลาร้ายกระหายเลือดหรือเหมือนสัตว์น้ําที่กระเสือกกระสนเข้าสู่ป่ารกอันดารดาษด้วยสัตว์ร้ายและเรียวน้ําไม่ได้อยู่ที่สบายตามธรรมชาติแห่งตน แม้เขาจะสนุกสนานเฮฮาในหมู่ญาติมิตรและเพื่อนฝูงเขาก็ยังว้าเเวเหมือนอยู่คนเดียวในโลกใครจะสามารถให้ความอบอุ่นแก่ใครได้ในเมื่อดวงใจแทบทุกดวงกำลังว้าเวเหมือนชะนีน้อยพระตกลงไปในหุบเหวยามย่มสนธยาบวงแห่งธรรมชาติที่โลกดักไว้ มีอำนาจมากพอที่จะนวงเหนียวมนุษย์ไว้ให้จมอยู่ในโลกนี้เองนานแสนนานใครหนอจะสามารถตัดบวงแห่งธรรมชาตินี้กระยานามิตรคือมิตรที่ดีมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเมื่อศึกษาอยู่ณสำนักตักศกิลานั้นอาโศกมีสหายผู้หนึ่งซึ่งถูกใจกันมากเขาชื่อสัสวั์ หมุดพระมหาศารผู้หนึ่งในนครตักศกิลานั่นเองสาสวัสดมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครรูปร่างหน้าตาขนาดปานกลางเหมือนเด็กหนุ่มตักศกิลาทั้งหลายแต่มีความฉลาดล้ำมีความจำเป็นเลิศเขาชอบใช้เสื้อผ้าปอนๆจะขาดจะยับยุยยี่อย่างไรสาสวัส์ไม่เคยสนใจมุ่งหน้าแต่ศึกษาอย่างเดียว และอย่างเดียวเท่านั้นจริงๆเพราะเขาปัดวิชาการอื่นๆทิ้งหมดศึกษาแต่วิชาศาสนาอย่างเดียวสนใจศาสนาทุกอย่างทั้งพราหมณ์พุทธเชนและลัทธิปริกย่อยต่างๆเท่าที่จะศึกษาได้ในชมพูทวีปดังนั้นเขาจึงแตกฉานในวิชาการทางศาสนาอย่างหาใครเสมอเหมือนได้ยาก อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งผิดวิสัยสำหรับเด็กหนุ่มแต่มีอยู่ในตัวของสาสวัสด์คือเขาไม่สนใจใยดีกับสตรีใดๆเลยไม่ว่าสตรีนั้นจะงามเลิดปานใดเป็นนักปรัชญาผู้มองโลกในแง่ความทุกข์ยากลำบากและไม่น่าอภิรมชมชื่นอะไรเลยตรงกันข้ามกับสิคารินซึ่งแต่งกายประณีตอยู่เสมอ ชอบสนุกสนานเฮฮาเห็นผู้หญิงสวยชอบพูดเคาะเรื่อยไปมองโลกในแง่ความเพลิดเพลินจเจริญตาจเจริญใจแต่ค่อนข้างจะไปทางมุทลุโกรธง่ายแต่ไม่พยาบาททั้งสามสหายแม้จะมีอธัธยศาศัยและความโน้มเอียงต่างกันอยู่บ้างแต่ก็มีความรักใกล้กลมเกลียวกันดีมีความเห็นอกเห็นใจกันไปไหนมักไปด้วยกันเสมอ วันหนึ่งเป็นวันหยุดการศึกษาและฝึกซ้อมสามสหายจึงกราบลาอาจารย์ชวนกันไปเที่ยวนอกเมืองไปชมป่าเขาลำนาปลายและถ้ำในการหาความรู้นอกหลักสูตรเพื่อประสบการณ์และพักผ่อนหย่อนใจเขาได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานเป็นอย่างยิ่งป่าที่ร่มเย็นอากาศดี ก่อให้เกิดความชุ่มชื่นทั้งแก่ร่างกายและดวงจิตนี่เองกระมังนักปราดผู้ใ่สงบจึงพรรณนาถึงคุณค่าของเสนาสนะป่ายิ่งนักเขาขึ้นไปยืนบนภูเขาขนาดย่อมลูกหนึ่งมองไปเบื้องล่างเห็นทิวไม้เขียวเฉอุ่มสลับสล่างสวยงามน่าเรื่นรมจริงจริงบริเวณนั้น มองไปทางทิศใดก็เห็นภูเขาอยู่โดยรอบเขารู้สึกเหมือนถอนตัวออกไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งต่างหากโลกแห่งความสงบร่มเย็นมนุษย์เราได้มีโอกาสถอนตนออกไปจากโลกเสบ้างเป็นครั้งคราวก็จะช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นมีใ่น้อยแน่นอนทีเดียวการหมกมุ่นอยู่ในโลกียารม พงงอยู่กับความเพลิดเพลินอันเกิดจากสิ่งกำหนัดย่อมใจซึ่งมนุษย์พาการลหลงไหลเข้าใจว่ามันเป็นความสุขแห่งชีวิตมันมักจะทำให้สุขภาพจิตเสื่อมโทรมเหมือนคนไข้ได้ของแสลงแม้เขาจะบริโภคอย่างอร็จอร่อยเพียงใดมันก็มีอำนาจทำให้อาการไข้ทวีสูงขึ้นอยู่นั่นเองดังนั้น การถอยตัวออกไปยืนมองโลกอยู่ห่างๆและในระดับสูงจึงมีค่าแก่ชีวิตอย่างมากทําให้มองเห็นชีวิตเหมือนผงทุลีในอากาศไม่ควรแก่การยึดมั่นถือมั่นแล้วดําเนินชีวิตไปโดยถือหลักว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเองการหมกมุ่นกลุ่นคิดแต่อนาคตมากเกินไป วางแผนการสำหรับอนาคตมากเกินไปมักทำให้ใจฟุ้งซ่านกังวลและแล้วก็มัวแต่ฟุ้งซ่านอยู่นั่นเองทำอะไรในปัจจุบันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เต็มความสามารถเพราะพลังจิตพลังงานถูกแบ่งไปมากเมื่อปัจจุบันไม่ได้ทำอะไรให้ดีอนาคตจะดีได้อย่างไร ทั้งสามเที่ยวชมป่าจนเที่ยงวันแสงแดดแผดกล้าจึงหยุดพักผ่อนใต้ต้นไม้ใหญ่ริมทารแห่งหนึ่งกระหายน้ำสาสวัสพูดขึ้นก็น้ำในลำธาร น, นิสัยสะอาดหน้าเดิมออกดื่มสิอโศกพูดน้ำในถุงหนังก็มีไม่ใช่หรือเห็นสาสวัสเอามาดื่มน้ำในถุงหนังก็ได้สีกรินพูด มีที่ไหนหมดแล้วเธอสองคนฉันบอกให้เอาน้ำมาด้วยก็ไม่เอามาและช่วยกันดื่มของฉันหมดสาสวัตพูดเป็นเชิงเย้าวเพื่อนเล่นถ้าอย่างนั้นต้องดื่มน้ำในลำธารศิกรินพูดไม่ได้สาสวัตพูดพร้อมด้วยมองน้ำใสในลำธารอย่างพินิษพิกรห์เดี๋ยวปวดท้องตายฉันกลัวโรคออ เราลืมไปอโศกอุทานศาสนาเขากลัวโรคยิ่งกว่าอะไรหมดแต่ไม่วายเป็นโรคตั้งหลายอย่างสิ่งที่เรากลัวมักจะมาให้เห็นเป็นให้ดูเสมอศาสนาพูดสิ่งที่เราไม่กลัวก็มาให้เห็นเป็นให้ดูเหมือนกันอโศกพูดเช่นอะไรสีครินถามเช่นเธอ ฉันไม่เคยกลัวแต่ก็มาให้เห็นเสมออโศกตอบแล้วทั้งสามก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันอย่าพูดเรื่องอื่นเลยพูดเรื่องหาน้ำดื่มกันดีกว่าสาสวัตรวกเข้าหาเรื่องเดิมถ้าอย่างนั้นเราออกเดินไปเรื่อยๆดีกว่าเพื่อพบแอ่งน้ำที่ดีหรือกระท่อบน้อยสักหลังพอจะหาน้ำกินได้อโศกพูด ในป่าอย่างนี้จะไปหากระท่อมที่ไหนศิครินทักทวงไม่แน่สิ่งที่เราคิดว่าไม่มีอาจจะมีสิ่งที่เราคิดว่ามีอาจจะไม่มีสิ่งทั้งหลายไม่ได้สำเร็จที่การคิดเอาศาสวัตรพูดทั้งเนื้อทั้งตัวของเธอศิครินยาวมีปรัชญาเต็มไปหมดแล้วพูดอะไรเป็นปรัชญาไปหมด เขาพากันเดินต่อไปเดินไปเรื่อยๆอโศกเล่านิทานหลายเรื่องให้เพื่อนฟังรวมทั้งนิทานที่เกี่ยวกับมะม่วงมะขามมะปรางและผลไม้เปรี้ยวชนิดอื่นๆเป็นนิทานที่ขบขันและมีคติสอนใจด้วยเธอนี่เหมาะที่จะเป็นแม่ทัพเหลือเกินสาสวัตรเปลยขึ้นทำไมอโศกถาม แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากสาสวัสตรตอบฉันกำลังกระหายน้ำเธอเล่าเรื่องอย่างนี้ให้ฟังน้ำลายออกตอนนี้ค่อยดีแล้วทั้งสามเดินเรียบลำธารต่อไปมองไปเบื้องหน้าเห็นหมู่ไม้กลุ่มหนึ่งขึ้นอย่างมีระเบียบไม่เหมือนหมู่ไม้ป่านหนึ่งซึ่งขึ้นตามธรรมชาติเขาก้าวเท้าไปอีกไม่มากนักก็มองเห็นบ้านไม้ชั้นเดียวหลังหนึ่ง ซุ้มตัวอยู่ในหมู่ไม้นั้นเมื่อเดินเข้าไปใกล้จึงเห็นว่ามีรั้วไม้ล้อมอยู่โดยรอบบริเวณรัว้วออกมามีต้นไม้ใหญ่เรียงรายบริเวณโคนต้นสะอาดเรียบร้อยและมีม้านั่งซึ่งทำด้วยไม้วางอยู่แทบทุกต้นรั้วนั้นเป็นรั้วโปร่งจึงสามารถมองปลายภายในบ้านได้อย่างชัดเจน ทั้งสามเดินวนเวียนอยู่หน้าประตูบ้านเพราะไม่ทราบว่าจะเรียกใครศิครินส่งเสียงร้องเพลงชมป่าขึ้นดังๆตามนิสัยขนองของเขาสักครู่บานประตูบ้านก็เปิดออกภาพที่ปรากฏหน้าเบื้องหน้ายิงสาวทรงสกราลตาโผล่ออกมาเมื่อเห็นสามสหายเธอมีอาการตะลึงเล็กน้อย และถามว่าท่านมาหาใครคะมาหาน้ำศรีครินตอบทันทีเธอยิ้มนิดนึงก่อนจะถามต่อว่าน้ำอะไรคะไม่เข้าใจน้ำดื่มศรีครินตอบคอยเดี๋ยวนะคะพูดแล้วหายเข้าไปข้างในสวยไม่ใช่เล่นศรีครินพูดกับเพื่อนขณะที่หญิงสาวหายเข้าไปข้างในเธอเห็นผู้หญิงไม่ได้เป็นสวยทั้งนั้น อโศกยาวขณะเดียวกับที่ศาสวัสด์เบือนหน้าไปเสียทางหนึ่งเพราะไม่อยากฟังเรื่องนี้เป็นชายถ้าไม่เห็นผู้หญิงสวยแล้วจะเห็นอะไรสวยศีครินพูดปรางหัวเราะชอบใจแล้วร่ายสโลกสันสกิดซึ่งมีความว่านรชนใดมีใจไม่พินธนาการด้วยเสียงดนตรีดอกไม้งามและอาการเยื่องกรยแห่งสตรีสาว ผู้นั้นถ้ามีใช่นักพรตก็เป็นดิรชานคนจะเป็นดิรชานไปได้อย่างไรศาสวัสหันมาถามอ๋อขอโทษทีสิครินทาเสียงลอ้อลืมนึกไปว่าศาสวัสดเขาไม่ชอบผู้หญิงแต่ฉันชื่อว่าศาสวัสดของเราเป็นนักพรตมากกว่าอย่างอื่นแน่นอนเมื่อไรออกบวชอย่าลืมบอกฉันก็แล้วกัน พอดีหญิงสาวออกมามีเพื่อนหญิงอีกคนหนึ่งติดตามออกมาด้วยสามสหายจึงเงียบไปเธอทั้งสองยิ้มให้เขาก่อนที่จะพูดว่านี่ข้าน้ำเชิญท่านดื่มตามสบายเถิดอโศกรับน้ำมาส่งให้สาสวัสร์ถ้วยหนึ่งส่วนศีครินนั้นเขารับของเขาเองภาชนะนั้นทำด้วยดินเผาอย่างดีและสะอาด ขอบใจท่านมากอาโศกและศรีคารินพูดเกือบจะพร้อมกันหลังจากดื่มน้ำแล้วท่านจะไม่นั่งพักผ่อนก่อนหรือหญิงสาวซึ่งออกมาทีหลังพูดเป็นเชิงเชื้อเชิญนั่งก็ดีศรีคารินตอบพร้อมด้วยนั่งลงบนมา้ยาวตัวหนึ่งอโศกและสาสวัฒนจึงต้องนั่งตามไปด้วยหญิงสาวทั้งสองดึงมา้ยาวอีกตัว มานั่งหันหน้าตรงต่อชายหนุ่มทั้งสามข้าพเจ้าทั้งสามเป็นเพื่อนรักกันสีคารินเริ่มแนะนาเป็นนักศึกษาอยู่สำนักตากศิลาข้าพเจ้าเองชื่อสีครินคนนี้ชื่ออาโซและคนนั้นชื่อสาสวัตวันนี้เป็นวันหยุดการศึกษาและฝึกซ้อมจึงพากันมาเที่ยวป่าพอดีน้าที่ใส่ถุงหนังมาหมดศาสวัต เขากระหายน้ำเขาจะดื่มน้ำในลำธารเขาก็ไม่ยอมดื่มจึงพากันเดินมาเรื่อยๆและมาพบบ้านท่านเขา้เขาขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งในความเอื้อเฟื้อของท่านไม่เป็นไรค่ะหญิงสาวคนที่ออกมาก่อนพูดพวกเราดีใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลืออะไรแก่กเพื่อนมนุษย์เล็กๆน้อยๆ เราจะไม่มีโอกาสรู้จักชื่อของท่านผู้มีคุณบ้างหรือศีครินพูดยินดีค่ะหญิงสาวคนหนึ่งออกมาก่อนพูดข้าพเจ้าชื่อชาลินีส่วนเพื่อนของข้าพเจ้านี้เป็นเจ้าของบ้านค่ะชื่อสโลทาราท่านอยู่ได้กันสองคนเท่านี้หรืออโศกถามข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะชาลินีตอบ บ้านข้าพเจ้าห่างจากที่นี่ไปเล็กน้อยวันนี้มาเยี่ยมชโลทาราและทำอาหารกลางวันเกินกันบิดาของชโลทาราออกป่าแต่เช้ายังไม่กลับมาคงจะกลับเย็นท่านจะอยู่รับประทานอาหารที่นี่ไหมเดี๋ยวเชิญนะคะชะโลทาราพูดเชื้อเชิญด้วยความจริงใจ สามสหายหิวอยู่ด้วยจึงไม่ได้ตอบปฏิเสธโดยเฉพาะสีครินชอบใจมากสองสาวไปยกอาหารมาเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ทำด้วยผักและผลไม้เขารับประทานไปสนทนากันไปเชโลทราเป็นคนพูดน้อยแต่พูดอ่อนหวานนิ่มนวลชวนฟังยิ่งนักส่วนชาลินีนั้นช่างเจรจาหาเรื่องพูดได้เสมอ การรับประทานอาหารเป็นไปอย่างอรเด็ดอร่อยและสนุกสนานความสนิทสนมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแม้จะไม่ถึงกับสนิทนะักแต่ก็พอพูดอะไรกันได้โดยไม่ขัดเขินตอนหนึ่งสิครินถามขึ้นว่าท่านอยู่ในป่าอย่างนี้ไม่เหงาหรือแล้วแต่จะทำใจเอาชาลินีตอบเราอยู่มานานจนเคยชินแล้ว ท่านอยู่มานานเท่าไรพวกเราเกิดที่นี่จึงคุ้นกับที่นี่อย่างยิ่งชาลินีตอบแทนเพื่อนสาวด้วยที่ท่านกล่าวว่าแล้วแต่จะทำใจเอานั้นมีความหมายอย่างไรอโศกถามหมายความว่าชาลินีตอบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและอยู่ในภาวะอย่างไรถ้าเราทำใจหงอยงา ก็เหงาถ้าเราทำใจร่าเริงแจ่มใสได้ความร่าเริงแจ่มใสก็จะเกิดขึ้นท่านอยู่ในเมืองหลวงมีคนมากหน้าหลายตาท่านไม่เคยรู้สึกว่าว้าเวและเหงาบ้างเลยหรือนั่นแปลว่าสถานที่ไม่ค่อยจะสำคัญเท่าไรนะัก ที่สำคัญคือความรู้สึกของเราเองท่านเห็นด้วยไหมชาลินีพูดเห็นด้วยมากทีเดียวอโศกตอบแปลว่าความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่บุคคลหรือสถานที่แต่อยู่ที่ใจเราจะรู้สึกอย่างไรใช่ไหมใช่ชาลินีตอบและพูดต่อไปว่าเรื่องสถานที่และบุคคลนั้นยิ่งสถานที่แออัดยัดเยียดมาก มีคนมากปัญหาสลับซับซ้อนต่างๆก็เกิดมากตามขึ้นมาด้วยเมื่อมีปัญหาสลับซับซ้อนมากความยุ่งยากก็มีมากขึ้นความสงบสุขของคนก็ลดน้อยลงข้าพเจ้าเชื่อว่ายิ่งเหินห่างจากธรรมชาติมากเท่าใดคนก็ยิ่งห่างไกลจากความสุขมากขึ้นเท่านั้นเพราะไม่มีโอกาสจะได้อยู่กับตัวของตัวเอง แต่ต้องทอดตัวให้เป็นโอกาสของสิ่งแวดล้อมและแรงจูงของสังคมท่านพูดว่าสังคมหรืออโศกถามด้วยความตื่นเต้นใช่ชาลินียืนยันท่านแปลกใจมากใช่ไหมที่หญิงชาวป่าอย่างข้าพเจ้าพูดคำว่าสังคมซึ่งโดยที่จริงคำคำนี้ก็ไม่น่าที่ข้าพเจ้าจะรู้จักข้าพเจ้าแปลกใจมากทีเดียว อาโศพยอมรับถ้าท่านรู้จักข้าพเจ้ามากกว่านี้ท่านจะหายแปลกใจชาลินีพูดพร้อมกับหันหน้ามาถามชโลทราซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆว่าใช่ไหมชโลทราชโลทราจึงพยักหน้ารับยิ้มนิดนึงก่อนพูดว่าู่ของชาลินีเคยเป็นอาจารย์อยู่สำนักตากศิลาค่ะ เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองบิดาของชาลินีศึกษาสำเร็จมาจากสำนักตักศกิลาเหมือนกันแต่เป็นคนชอบวิเวกจึงมาอยู่ในป่า ก, กับบิดาตนซึ่งหลีกร้นมาอยู่ที่นี่ชาลินีได้รับการอบรมสั่งสอนจากปู่และบิดาจึงฉลาดมากพูดอะไรแคล่วคล่องเข้าใจชีวิตได้ดี สามสหายมองหน้ากันแล้วยิ้มสีครินพูดขึ้นว่าพวกเราโชคดีมากที่มีโอกาสได้มาพบและรู้จักกับท่านถ้าโชคดีเราอาจจะได้พบบิดาของท่านสักวันหนึ่งข้างหน้าเขาอยู่สนทนาอีกพักหนึ่งจนพระอาทิตย์บ่ายคร้อยไปแล้วจึงลากกลับทั้งสองสาวแสดงอัธยาศัยไมยตรีอันดียิ่ง สามสหายบอกว่ามีโอกาสจะมาเที่ยวและพักผ่อนที่นี่อีกอาจจะได้รู้จักกับบิดาของชาลินีและชโลทาราตลอดระยะทางที่เดินกลับศาสวาดไม่ได้พูดอะไรเลยส่วนศีครินเดินชมชาลินีไม่หยุดปากชมทั้งความงามและความฉลาดเฉียบแหลมของเธอจริงของชาลินี อโศกคิดและแต่จะทำใจเอามนุษย์เราจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจสิ่งทั้งหลายสำคัญที่ใจสิ่งทั้งหลายอยู่ที่รอบข้างเป็นเพียงกระจกเงาเราแสดงอาการอย่างไรก็จะแสดงอาการอย่างนั้นตอบถ้าสามารถทำใจให้มั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะพบความสงบสุขอย่างแท้จริงแห่งจิตใจ ไม่มีใครมอบความสุขสงบให้แก่ใครได้ถ้าบุคคลผู้นั้นไม่ทำตนให้เป็นเครื่องรองรับความสุขที่ดีมนุษย์เป็นอันมากกระเสือกกระสนหาความสุขแต่ไม่ได้ทำตนให้เป็นที่รองรับความสุขเสียเลยเมื่อเป็นดังนี้จะสแสวงหาความสุขมาสักเท่าใดมันก็มิอาจอยู่ด้วยได้ประหนึ่งเทน้ำลงตุมรั่วรังแต่จะเหนื่อยแรงเปล่า